บริเวณที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อสักสามสิบกว่าปีก่อนมันเป็นรรยข้วโพดแม่นใบแมาเพียนเป็นรายขอวโพ ด, มมพโพดไม่ใช่เป็นเป็นที่วัดเป็นรายข้วโพดของชาวบ้านแต่ที่เขาอุทิศให้กับ ทางวัดนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเคยมีเหตุคือเมื่อสักสามสี่ปีก่อนบริเวณเขาลูกนี้ก็ก็ยังเป็นป่าอยู่พอสมควรแม้ว่าจะมีชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานแต่ว่าก็ไม่ได้ มากมายเป็นขนาดนี้หลวงพ่อบุญธรรมซื้อเป็นผู้บุกเบิกวัดนี้เมื่อปีหนึ่งสีเล่าให้ฟังว่าเคยมีช้างอยู่นะเรียกว่าจะเรียกว่าฝูงก็ไม่รู้ว่าจะเรียกได้หรือเปล่าเพราะมีแค่ห้าตัวนะ อาศัยอยู่ตรงยอดภูเนี่ยนะตรงที่เคยเป็นหอไตรเดิมช้างห้าตัวนี่อยู่ได้นี่ก็แสดงว่าพื้นที่ป่าก็ต้องใหญ่แล้วก็สมบูรณ์เพราะว่าช้างตัวหนึ่งก็กินกินหญ้านี่ก็วันละหลายเป็นร้อยกิโลท่านี้ เนื่องจากที่นี่เ ค, เคยเป็นไยข้าวโพดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีช้างนี่มาคอยหักข้าวโพดกินอยู่เป็นประจำชาวบ้านก็ไม่พอใจก็อยากจะยิงมันหลวงพ่อบุญธรรมนั้นก็ห้ามเอาไว้บางครั้งท่งานก็มาช่วยชาวบ้านหักข้าวโพดด้วยเพื่อจะได้ให้ชาวบ้านรีบเก็บ ไม่งันมันก็จะมาเป็นอาหารของช้างแต่ว่าคงมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งซึ่งก็ไม่ทราบเป็นใครอาจจะเป็นคนจากนอกพื้นที่ก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกชาวบ้านแถวนี้เขาก็เป็นพรานเขาก็วันหนึ่งเขาก็รอบยิง ยิงช้างก็โดนตัวหนึ่งลม้มลงก็อาจจะไม่ถึงกัลบล้มนะแต่ว่าก็สุดแหละช้างอีกสี่ตัวที่เหลือก็บุกเข้าไปเรียกว่าชาร์จเรียกว่าชาร์จเข้าใส่พรานแต่พรานก็อาศัยต้นไม้ใหญ่นะหลบรอดได้ ช้างนี่สี่ตัวที่เหลือเนี่ยเขาก็รักกันดีนะพอเห็นเพื่อนถูกยิงสุดก็ช่วยกันช่วยกันเรียกว่าหนีบเดือนนะหนีบมีช้างสองตัวนี่คอยหนีบช้างที่ถูกยิงอยู่ตรงกลางก็หนีบแล้วก็ค่อยประคองกันไปไปด้านที่ตะวันตกนะก็ด้านเนี้ยที่ตะวันตก แทนที่จะมาอ า, ารวาสกับคนช้างทั้งห้านี้ก็ค่อยๆ อ, ยอพยพนะหนีไปแล้วก็หนีเพื่อนไปด้วยไปไกลทีเดียวหลวงพ่อบุญธรรมกับชาวบ้านก็ตามตามรอยไปก็ไม่เจอท่านก็เชื่อมมีสุสานช้างอยู่ แต่ก็ไม่ทราบว่าอยู่ไหนอันนั้นคือครั้งสุดท้ายที่คนแถวนี้เห็นช้างหมายถึงช้างป่านะถ้เราลองนึกภาว่าสมัยก่อนนี่ที่นี่ก็คงจะมีป่าหนานแน่นแล้วก็อุดมสมบูรณ์สามารถที่จะลองรับช้างไว้ ทางนั่งที่การอยพยยกย้ายถิ่นฐานขึ้นมาบนหลังเขานี่ก็เยอะและ้วสักสาสิกปีก่อนให้เรานึกภาพว่าบริเวณแถวนี้ไปจนถึงทรมาไฟมันมีต้นไม้ใหญ่หลวงพ่อคำเขียนเล่าเวลาเดินจากนี่ไปทรมาไฟตอนเช้าเนี่ยจีวรนี่จะเปียกโชกเลย เพราะว่าโดนน้ำค้างน้ำค้างนะมันตามาต้นไม้หรือว่าพุ่มไม้สองข้างทางก็เยอะพอสมควรแดด ส, สองไม่ถึงนะกลางวันเนี่ยแดด ส, สองคล้ายๆกับที่เราได้เดินผ่านป่าที่ผู้หลงเมื่อ ตอนกลางวันแต่ป่าส่วนที่เราเดินผ่านนี่มันก็ไม่ใช่ป่าสมบูรณ์เพราะว่าเคยโดนไฟมาหลายรอบเพราะฉะนั้นก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆไม่มากเท่าไหร่ถ้าต้นไม้ใหญ่สูงๆมากๆนี่พืชข้างล่างเนี่ยมันก็จะโปร่งมันจะไม่ไม่ไม่ทึบโปร่งเพราะว่ามีต้นไม้ต้นไม้สูงเขา มันทำให้ไม่มีแดดมากพอที่ทำให้ไหม้ชั้นล่างเนี่ยเติบโตดได้หมวงอเขียนเล่าว่าสมัยที่ยังไม่มีไฟเนี่ยตรงที่เป็นสะเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นลำห้วยลำห้วยเล็กๆท่านต้องมาส่งน้ำตั้งแต่สี่โมงได้ละ4สี่โมงเย็งก็ต้องเริ่มส่งล้ว เพราะมันจะมืดเร็วแล้วก็น้ำก็เย็นด้วยก็จะมีพวกกวางนี่มามาเล่นน้ำหรือว่ามากินน้ำไม่ไกลจากท่าน้กวางนี่มันก็มนมมันก็ระแวงนะระแวงคนแต่พอหลวงพ่อท่านมาสงน้ำ บ, บ่อยๆมันก็คุณยอมให้เข้าใกล้ได้ แต่หลังความก็เชื่องนะหลวงพ่อบุญธรรมท่านเล่าบางทีกำลังชาบบ้านกำลังทำพิธีถวายจังหันก็ไม่ไกลจากเนี่ยในวัดเนี่ยนะสมัย น, นั้นยังไม่มีสาระไก่จูกๆก็มีกวางวิ่งฝ่าฝ่าวงเข้ามาไม่รู้มันตื่นตกใจหรือยังไงแต่ว่าก็คงมีความคุ้นเคย เพราะว่าพราะนี่ไม่เป็นอันตรายกับสัตว์อยู่แล้วอันนี้คือสภาพของสุขโตที่มันได้กลายเป็นอดีตไปแล้วนะสมัยนั้นคนก็คงรู้สึกว่าสภาพภาพที่เห็นนี่เป็นภาพธรรมดาเห็นจนคุ้นจนเคยแต่มาถึงตอนนี้มันกลายเป็นเป็นภาพความทรงจำที่มีค่าเพราะว่า ไม่มีใครจะได้เห็นภาพนั้นอีกแล้วก็มีแต่คนแก่ที่ยังทรงจําภาพนั้นได้สิ่งที่เป็นอดีตบางครั้งเราก็สวมมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอผ่านไปมันกลายเป็นเรื่องที่มีค่าเหมือนกับที่เราเห็นสภาพป่าตอนนี้ก็าจะสวมเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ไม่รู้ว่าพอผ่านไปสิบยปี เมื่อสภาพเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เราเห็นในวันนี้มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาเพราะว่าลุ่นลูกลุก่นหลานจะไม่ได้เห็นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถึงแม้ว่าการเวลามันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้แต่ว่าการที่เราได้ได้มีการได้เห็นธรรมชาติที่ที่ มันสมบูรณ์หรือว่ายังมีธรรมชาติที่เขียวเชื่ออุ่มอยู่นี่มันก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นกำลังชีวิตเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะได้เห็นภาพเหล่านี้อีกหรือเปล่าความรกทึบของป่า อันนี้ที่นี่นี่มันฟังดูแล้วก็ฟังคนคนแก่เล้าก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเพราะว่าหลังจากที่มีการมาทาไม้ที่ น, นี่มีการาทาไม้ตั้งแต่ปีหนึ่งสี่ตรงที่เป็นสาระไก่ก็คือเป็นที่ที่วางขอนไม้แต่ก่อนหลวงพ่อท่านเล่าพอเขามาทาไม้แถบนี้ตอนที่ท่านไม่อยู่ก็มีต้นไม้มีขอนไม้ล้มระเกะระกะ แต่แม้ขนาดนั้นต้นไม้ใหญ่ก็ยังมีเยอะเขาเลือกแต่ไม้ใหญ่จริงๆไม้ขนาดกลางเขาไม่ตัดเพราะเสียเวลาเขาหลังจากที่บริษัททำไม้ชักล่างไม้ออกไปก็มีชาวบ้านตามขึ้นมาแล้วก็เริ่มถางถ้าไม่มีบริษัททำไม้มาชาวบ้านก็ไม่มีปัญญา จะถางต้นจะถางป่าได้เพราะว่าป่ามันทั้งทั้งทึบทั้งชื้นจะเผาก็เผาไม่จะจุดไฟก็จุดไม่ติดนะจะเลื่อยก็เลือเล่อยไม่ไหวเพราะต้นไม้มันใหญ่มากสมัยนั้นก็ไม่มีเลื่อยไฟฟ้าแต่พอบริษัททําไม้เขาเขามาจัดการป่านี้ไปรอบหนึ่งแล้วมันก็เลยป่าก็เริ่มโปรง่งชาวบ้านก็เริ่มเข้ามา แล้วก็เริ่มถางแนกกันนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านเล่าว่าเวลาชาวบ้านเขาถางป่านเนี่ยเขาไม่ได้ตัดต้นไม้ให้ขาดทีเดียวนะเขาจะเลื่อยพอให้มันให้มันเปิมๆจนเจียนจะขาดแล้วก็ทํางี้ทํางี้ไปเรื่อยๆทำอย่างี้ไปเรื่อยๆตัดจนจะให้ขาดแต่ไม่ขาด พอได้เนื้อที่พอสมควรที่ต้องการแล้วเขาก็จะเลือกเอาไม้ใหญ่ๆต้นไม้ต้นใหญ่ๆเสร็จแล้วก็ตัดให้มันขาดไปเลยเพื่อให้มันโค่ลงมาพอมันโค่ลงมามันก็จะโค่นทับหรือว่ากวาดฉุดเอาต้นไม้ต้นอื่นๆที่อยู่ใกล้เนี่ยให้ล้มตามไปด้วยมันก็จะกลายเป็นโดมิโนโ น, นะ หรือผลัดกันดึงกันไปโค่นกันเป็นทีละเป็นทีละแถบทีละแถบทีละแถบหลวงพอว่าเสียงดังนี่เป็นเป็นชั่วโมงนะ <Yeah. S 1> เสียงต้นไม้ลมเนี่ยดังเป็นชั่วโมงก็ <Yeah. S 1> แสดงว่าต้นไม้มันเยอะมาก yeah. <Yeah. S 1> เนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ชาวบ้านเขาทากันนะแล้วก็เวลาเขาลงลงพวก ข้อพ่หรือลูกเดือยเนี่ยหลวงพ่อบอกชาวบ้านนี่เท้านี่ไม่ได้แตะพื้นเลยเท้านี่อยู่บนขอนเพราะมันมีขอนมาละเกล็ลักกะแล้วก็อาศัยช่องว่างเนี่ยระหว่างขอนเนี่ยมันก็เป็นดินเนี่ยก็ก็ลงอ่ะลงพืชไร่ตรงนั้นแหละเสร็จแล้วพอถึงหน้านแล้งก็ถึงค่อยจัดการจุดไฟเผา หมอนในงานนึ่นก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นนี่คงมีค่าถ้เาเราก็ทำลายต้นไม้จำนวนมากเพื่อจะปลูกมันปลูกข้าวโพดซึ่งกิโลล้าก็ไม่เท่าไหร่มันก็กิโลละห้าสิบตังค์สมัยก่อนอาจจะไม่ถึงห้าสิบตังค์ด้วยข้าวโพดก็ราคาถูกแต่ไม้นี่มันมีค่ามากไม่ว่าจะ มอนในแง่ของเนื้อไม้หรือมอนในแง่ของระบบนิเวศนะซี่มันทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ทําให้มีสิ่งสาระสัตว์จํานวนมากหรือว่าทําให้มีของป่าเช่นเห็ดหรือว่าสมุนไพรจํานวนมากคุณนี้ก็พังพินาศไปสมัยก่อนก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าป่ามันเยอะมากนะแต่สมัยนี้เราก็ ลูกสว่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับมันข้าวโพดลูกเดือยที่เราปลูกได้ก็ส่งออกนอกด้วยพอมันสําปหลังก็ส่งออกนอกขายถูกๆได้เงินมาก็เอามาใช้ในการพัฒนาประเทศพัฒนากรุงเทพพัฒนาเมืองใหญ่ๆส่วนเมืองเล็กๆชนบุก็ไม่ค่อยได้รับประโยชน์เท่าไหร่ รายได้ต่างประเทศแต่ว่าสิ่งที่เราต้องสูญเสียไปก็คือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่ามันก็ยังไม่สายนะที่เราจะช่วยกันรักษาฟื้นฟูนฟนกันขึ้นมาใหม่มันก็มีหลายที่ที่ก็สามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้เป็นที่น่าชื่นใจ อย่างเช่นเขาแผงมา้าเขาแผงม้าเคยถูกอาตมาเคยไปเผาเขาแผงม้าเมื่อปีสามตอนนั้นยังเป็นจงเรียกว่าเขาก็ไม่ถึงหัวโลนะแต่ว่ามันก็มีแต่ทุ่งหญ้าประมาณปีสามําได้ตอนนั้นมีเขาก็เริ่มที่จะฟื้นฟูเขาแผงม้าขึ้นมาโดยร่วมมือกับชาวบ้าน ภายในเวลาไม่ถึงสิบปีต้นไม้ก็โตแล้วก็กระทิงก็กลับมาเขาแผงม้านี่มีชื่อมากว่าเป็นที่ที่เราจะสามารถสังเกตดูชีวิตของกระทิงได้ในระยะที่ใกลามากนะกระทิงมันไม่ยอมให้คนมาดูใกล้ขนาดนั้นแต่เขาแผงม้านี่เราทำได้เพราะว่ากระทิงคุ้นกับคน ล้วก็ร่วบปลอดภัยนนในเวลาแค่ส0ปีก็สามารถทำให้ธรรมชาติของเขาแผงมานะกลับมาใกล้ของใกล้ของเดิมจนกระทางสัตว์ก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็มาหากินได้อันนี้ก็เป็นความสำเร็จอันหนึ่งที่ที่น่ายเป็นกำลังใจนะอันที่นี้เพราะนั้นนี่ถึงแม้พวกเรา นะจะจะมาเห็นสภาพแล้วก็รุ้สึโอมันต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าทำเทีย่ยนนิดเทีละหน่อยมันก็จะเกิดผลแต่ในระหว่างนี้นะธรรมชาติมันก็อย่างน้อยก็ที่นี่ก็ดีพอสมควรที่เราจะได้อาศัยประโยชน์จากเขาได้อย่างที่ได้พูดเมื่อเช้า ว, ว่านะธรรมชาติหรือป่าเนี่ยไม่ได้แค่เป็นประโยชน์ ในแง่ของกายภาพเช่นให้น้ำให้อากาศหรือว่าให้ปัจจัยสีหรือว่าประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะแต่ว่ายังมีประโยชน์ในทางจิตใจด้วยตรงนี้แหละที่พุทธศาสนากับป่าและธรรมชาติเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน เพราะว่าการที่ได้มาอยู่่าำกลางป่าก็ทำให้จิตใจสงบนะ แ, มแม่จะไม่สงบนะโดยเพราะคนที่คุ้นกับชีวิตเมืองก็จะรู้สึกว่าอยู่ในป่านี่มันเงามันวังเวงยังไม่ต้องพูดถึงความไม่สะดวกสบายหลายอย่างมีมแมลงมีสิ่งรบ ก, กวนแต่พอคุ้น นะก็จะรู้สึกว่าการอยู่ในป่านั้นเนี่ยมันสงบหมๆก็สงบภายนอกต่อมาก็จะเริ่มสงบที่ใจ น, นี่คือเหตุผลที่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยแนะนำให้พระสงฆ์สาวกทั้งพิสุพิสุณีนะไปปฏิบัติธรรมนะในป่าเรียกว่าลุกขมูลคือใต้ใต้โคนไม้ในถ้ำแล้วมีพระ จำนวนมากที่ปรรลุ ธ, ธรรมก็ในป่านะเพราะว่าพอใจสงบก็เหมือนกับ น, น้ำที่นิ่งก็เริ่มใสพอใสแล้วเนี่ยเราก็เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้น้ำใจของเราพอนิ่งมันก็ใสเราก็จะเห็นอาการของใจเห็นนังกิเลสเห็นนังความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งขึ้น แล้วก็เห็นลึกไปจนถึงธรรมชาติของมันธรรมชาติของใจความนิ่งของป่าของธรรมชาติก็เหมือนกับกระจกที่สะท้อนให้เราได้เห็นธรรมชาติของใจเราในที่จริงสิ่งที่เป็นความเป็นไปของของธรรมชาติมันก็คือเป็นอันเดียวกันกับความเป็นไปของใจก็คือมันเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงนะความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เรียกว่าไตรลักษณ์นั้นผู้ที่ฉลาดนะเมื่อเห็นธรรมชาติก็จะโยมาจนเห็นธรรมชาติของใจอย่างเช่นบางท่านพิจารณาดอกบัวพิจารณาตั้งแต่ตอนที่มันยังตูมบาน แล้วก็ค่อยๆโรยท่านพิจารณาอย่างนี้เนี่ยก็เกิดเข้าใจในธรรมะขึ้นมาคือเห็นเนื้อว่าสังขารมันไม่เที่ยงนะมันทุกข์บางท่านก็เห็นสัจธรรมนะจาก จากพยับแดดพยับแดดที่มันเวลาเรามองไกลๆเนี่ยพยับแดดมันก็เหมือนกับว่ามันมีน้ำอยู่ไกลๆแต่พอเราเข้าไปใกล้ๆมันก็หายไปเพราะมันเป็นเพียงแค่ภาพลงตาท่านก็เข้าใจถึงความเป็นมายาของสังขารความเป็นมายาของตัวตน บางท่านก็เข้าใจเรื่องอนิจจังของชีวิตจากจดน้ำค้างที่มันอยู่ได้ประเดียวประดาาเสร็จแล้วก็เหือดแห้งหายไปนะท่านเข้าใจเรื่องความเป็นอนิจจังของชีวิตของสังขารจากธรรมชาติแน่นธรรมชาติเนี่ยสอนธรรมะแก่เราได้สอนอย่างแรกคือสอนเรื่องสัจธรรม สอนศัจธรรมคือความจริงของทุกชีวิตซึ่งตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงมันไม่จีรังยั่งยืนถ้าคนเร า, ถ, าถ้าไม่เห็นความความเป็นอนิจจังของธรรมชาติบางทีก็ก็ยังคิดว่าเรานะจะมีชีวิตอยู่ได้ยืนนานแต่พอได้เห็นความผันแปรความเป็นอนิจจังของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นน้ําค้างพยับแดดนั้นก็ทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานะบางท่านก็พูดไว้ได้ไ ด, ได้กระชับมากนะ มีกวีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะท่านเขียนไว้ว่าเนี่ยสั้นๆต้องเขียนว่าพุทธธรรมเปล่งประกายจากหยดน้ําค้างบนยอดหญ้าคนที่เขียนอย่างนี้ได้เนี่ยต้องต้องเข้าใจในสัจธรรมแล้วก็สัจธรรมนี้ไม่ได้เข้าใจจากไหนก็เข้าใจจากการที่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจนเป็นหนึ่งเดียวแม้กระทั่งหยดน้ําค้างบนยอดหญ้านี่ก็สามารถที่จะ บอกหรือเผยแสดงสัจธรรมหรือพุทธธรรมได้อย่างครบถ้วนนะไม่ต้องไปหาอ่านจากตําราเน่นธรรมชาตินี่เป็นเป็นเป็นตราเล่มใหญ่นะที่สอนธรรมะให้กับเรามันอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจมองหรือรับรู้สัจธรรมหรือเปล่าเวลาเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บ่อยครั้งใจแล้วก็ฟุ้งซ่านนะหรือไม่เราก็ไปไปเพลิดเพลินกับการพูดคุยสนุกสนานนะเราไม่สามารถจะสัมผัสได้แม้กระทั่งความสงบของธรรมชาติยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของศัจธรรมตแต่ความสงบของของธรรมชาตินี้ถ้าเรานะเราลองอยู่นิ่งๆ น, นะ ใจเราก็จะค่อยสงบธรรมชาติน้อมให้ใจเราสงบแล้วเมื่อใจเราสงบและมีสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อเราเปิดใจหรือมองสิ่งต่างๆด้วยใจที่เปิ ด, ปดก็จะเห็นความจริงจากธรรมชาติไม่ใช่เห็นว่าต้นไม้สีอะไรไม่ใช่เห็นว่าดอกบัวสีอะไรแต่ว่าเห็น สัจธรรมที่ธรรมชาติที่ดอกบัวที่ต้นไม้ได้เผยแสดงแกเรานี่คือความจริงที่รว่าสัจธรรมแต่ว่าธรรมะนี่มีอยังอีกอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากสัจธรรมแล้วคือจริยธรรมจะริยธรรมหมายถึงข้อที่ควรปฏิบัติเราจะเรียกว่าคุณธรรมก็ได้ซึ่งก็สามารถจะ เรียนรู้ได้จากธรรมชาติเช่นการมีชีวิตที่อิสระโปร่งเบาอย่างนกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยนกนี่เขา ม, มีเพียงแค่ปีกสองข้างเขาก็สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ตรัสว่าเนี่ย ผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าพิสษุพิสุนนีก็ควรจะเป็นเหมือนนกนะที่ไม่มีภาระอะไรมากมีเพียงแค่ปีกสองข้างก็สามารถไปไหนอย่างได้อิสระซึ่งมันนี่มันตรงข้ามกับมนุษย์เราส่วนใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยสัมภาระมากมายก็เลยกลายเป็นสิ่งทวงหนวงลังไม่ให้ชีวิตได้พบอิสระ มีคนพูดไว้ดีนะว่าอิสระภาพคนในปัจจุบันเนี่ยก็คือการการเป็นการอิสระการเป็นอิสระจากสิ่งที่ไม่ชอบแต่กลายมาเป็นท่าสิ่งที่ชอบแทนนี่คืออิสระภาพคนปัจจุบันอิสระจากความร้อนอิสระจากจากความไม่สะดวกสบายแต่กลายเป็นท่าของความสะดวกสบายแทน อาจะเป็นอิสระจากความหิวโหยแตก่ก็กลายเป็นท่าของความฟุ้งเฟอ้อความมั่งคั่งเราเป็นงนี้จริงหรือเปล่านะเราเป็นอิสระจากสิ่งที่ไม่ชอบแต่ดันกลายมาเป็นท่าของสิ่งที่ชอบซะไอ้สิ่งที่ชอบนี่ก็ถ้าเราเป็นท่ามันก็ทําให้เราไม่เป็นอิสระได้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้คนจํานวนมากก็ไม่ไม่อยากไปไหนติดบ้าน ถ้าไปที่อื่นแล้วกลัวว่าจะเจอลำบากหรือบางคนก็ติดวัดเพราะว่าวัดสบายถ้าไปที่อื่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะวุ่นวายมันจะไม่สงบนะมันจะไม่มีคนช่วยดูแลอันนี้ไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริงฉั้นการที่เราเอานกเป็นแบบอย่างนี่ก็ดีนะนกนกนี่เขาอยู่ได้อย่างสันโดษโดยที่ไม่ทุกร้อนอะไร เขาก็อยู่บางทีอยู่เนี่ยบางพอไปไปพอเริ่มจะเข้าหน้าหนาวก็จะมีนกนกกระเตนนกกระเตนนี่จะมาจะมาเยือนทุกปีนะที่สาราที่บริเวณสระน้ําเนี่ยนกกระเตนก็อยู่ลําพังเกาะ อ, อยู่บนยอดอยอดบัวกิ่งบัวนะ ก็อยู่อย่างนั้นน่ะนิ่งๆนะไม่ได้อาธร อ, า อ, น, อานาทรร้อนใจอะไรให้คนเราอยู่นิ่งๆมาน้อนอยากนะอยู่นิ่งแค่ครึ่งชั่วโมงก็กระสับกระส่ายแล้วเพราะไม่สามารถที่จะอยู่ลําพังได้ตนอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้แต่นุกนี่เขาเป็นยอดเลยนะอยู่นิ่งๆก็อยู่ได้อยู่เอกาก็อยู่ได้นะ สัตว์บางชนิดนี่มันมีสติไวมากกบนี่อยู่นิ่งๆดูเหมือนหลับนะแต่ว่าพอมีแมลงผ่านก็แลบตะวัดลิ้นเสร็จแล้วก็นิ่งใหมนะ่คนเราถ้าเรานิ่งได้อย่างนั้นแล้วก็ไวได้ขนาดนั้นอันนั้นก็น่านับถือ บางทีพระเจ้าก็ตรัสเปรียบว่ามนุษย์เราเนี่ยโดยเฉพาะพระเนี่ยนักบวชควรมาเป็นตนเหมือนกับผีเสื้อผีเสื้อนี่ดูดน้ำหวานจากดอกไม้แต่ว่าไม่เคยทำให้ดอกไม้เสียสีไม่เคยทำให้ดอกไม้บอบช้าอันนี้ก็ตรัสถึงนักบวชว่าเมื่อเราไปที่ไหนเราแม้เราจะพึ่งพาอาศัยชาวบ้าน พึ่งพาข้าวชาวบ้านแต่ไม่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆมันควรจะเป็นมนุันทุกคนก็ควรเป็นอย่างนั้นด้วยคือว่าแม้เราจะอยู่แม้เราจะพึ่งพาอาศัยธรรมชาติแต่เราก็ไม่ทําให้ธรรมชาติเดือดร้อนแต่คนสมัยก่อนก็พยายามทําอย่างนั้นกันนะพึ่งพาน้ําพึ่งพ า, พงพาป่าแต่ก็ไม่ทําให้ป่าไม่ทําให้น้ำเนี่ยเสียหายแต่มนุษย์เราสมัยนี้เรามีความโลภนะเรา ไม่ว่าสิ่งใดที่เราพึ่งพาอาศัยสิ่งนั้นพินาศยับเยินหมดแม่ริยะสั้นก็ระยะยาวน้ำก็กลายเป็นน้ำเน่าเป็นมลพิษนะอากาศก็กลายเป็นอากาศที่เนะต็มไปด้วยความอันตรายอยู่ที่ไหนธรรมชาติที่นั่นก็พังยับเยินนะนี่คือธรรมชาตินี่คือนี่เป็นเพราะเราไม่ได้เรียน ไม่ได้เรียนจากธรรมชาติไม่ได้เอาธรรมชาติเป็นครูว่านะเขาเขาเอื้อเฟื้อกันอย่างไรเขาพึ่งพาอาศัยกันโดยที่ไม่เบียดเบียนผู้ที่มีพระคุณนะนอกจากจะไม่เบียดเบียนแล้วยังตอบแทนด้วยอย่างต้นไม้เนี่ยนะเขาก็ดูดน้ำจากพื้นดิน แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดูอย่างเดียวเขาก็เป็นผู้ให้ด้วยต้นไม้ก็ขายน้ากลับสู่บรรยากาศเสร็จแล้วก็ก็กลายเป็นน้าตกลงมาที่ดินต้นไม้นี่เขาดูดปุ๋ยจากดินแต่เขาไม่ได้ดูอย่างเดียวถึงเวลาเขาก็ทิ้งใบทิ้งกิ่งเพื่อกลายเป็นปุ๋ยกลับคืนสู่พื้นดิน นกก็เหมือนกัน น, ะนกก็กินกินผลไม้จากต้นไม้นานาชนิดแต่ก็ตอบแทนต้นไม้ด้วยตอบแทนยังไงก็ตอบแทนด้วยการไปช่วยเผยแพร่พันธุ์ให้กับต้นไม้เวลานกถ่ายที่ไหนมันก็มีเมล็ดพันธุนะ์ติดมาด้วยนกนี่เป็นนักปลูกป่านะ ถ้าไม่มีนกนะต้นไม้ก็จะไม่แพร่พันธุ์กระจายกว้างและป่าก็จะไม่ขยายตัวเนะพระเาะนั้นเนี่ยนกนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่รู้จักตอบแทนนะผู้มีพระคุณตอบแทนต้นไม้ที่ให้อาหารโดยการช่วยแพร่พันธุ์ให้กับเขาธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้นะ ตลอดนะแต่มดนะมดนี่มันอยู่อยู่ต้นไม้ไหนพึ่งพาต้นไม้ไหนก็จะช่วยปกป้องต้นไม้นั้นนะจะมีใครมาขยาวจะมีสัตว์อะไรมาก่อกวนต้นไม้ต้นนั้นมดก็ <c oughs> ไล่นะสู้นะเขาพึ่งพาสายต้นไม้ไหนเขาก็จะรักษาปกป้องต้นไม้นั้นนี่คือจริยธรรมนะของสัตว์ของธรรมชาติ ที่มนุษย์เราเนี่ยก็ควรจะเรียนรู้ธรรมชาตินี่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เยอะอย่างพวกกำลังภายในก็อาศัยอากัปกิริยาของสัตว์น า, นานาชนิดเนี่ยเป็นเป็นต้นแบบของของอะไรของของการของเพลงกระบีหรือว่าท่ากำลังภายในต่างๆแต่นั้นเป็นเรื่องทางโลก เราก็สามารถจะใช้ประโยชน์ทางธรรมจากธรรมชาติได้อันนี้คือเหตุผลวาทำไมมนุษย์เราเนี่ยควรจะแนบแน่นกับธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติมีคุณค่าทางจิตใจให้ทั้งความสงบแล้วก็ให้ทั้งความสว่างความสว่างนี่หมายถึงว่าเกิดความกระจ่างในเรื่องธรรมะท้งศัจธรรมและจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูรู้คุณในเรื่องของ ความเสียสละในเรื่องการอยู่อย่างโปร่งเบาหรือเรื่องการที่ไม่มีอะไรมามาทำให้แปดเปื่องหมอง่หมองคล้าได้อย่างบัวบัวนี่ก็เป็นตัวอย่างของอจิตใจที่ไม่มีอะไรมาเคลือบมาฉาบให้หม่องมัวได้น้าตกมากระทบไปบัวก็ไม่ทำให้ไม่ฉาบให้เปียกได้ อันนีก้ก็สอนทำให้กับเราถ้าเรารู้จักมองให้เป็นนะาสอนเราได้หลายอย่างแม้กระทั่งการให้กำลังใจพระบางรูปในสมัยพุทธกาลในท่านท้อแท้ในการปฏิบัติแต่พอเห็นช้างเนี่ยตกหลมนก็พยายามที่จะชันตัวขึ้นมาพยายามที่จะตะกายขึ้นมา ยากหรือเกินแต่มันก็พยายามมันไม่ยอมถอยไม่ท้อแท้พอท่านเห็นช้างมีความเพียรอย่างนั้นท่านก็อดละอายใจตัวเองไม่ได้ว่าเนี่ยทำไมเราเป็นมนุษย์ทำไมเราถึงท้อแท้อย่างนั้นนะท่านก็เกิดกำลังใจว่าเนี่ยเดรัจฉานก็จึงมีความเพียรมนุษย์เราทำไมถึงจะไม่มีความเพียรด้วยก็เกิดกำลังใจในการปฏิบัติขึ้นมา เห็ในได้ว่าธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่เป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นน้ําค้างต่างๆเขาเป็นครูสอนทำให้แก่เราได้ซึ่งไม่อาจจะไม่มีสอนในตําราแต่ว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ยเราจะจําแจ้งได้นะก็ต้องเปิดใจด้วยถ้าใจเราไม่เปิด เราก็ไม่สามารถจะเห็นธรรมจากธรรมชาติได้งั้นถ้าเราเห็นคุณค่าของธรรมชาติเนี่ยก็อยา่เชิญชวนเวลาเราไปเที่ยวไปท่องธรรมชาติทเที่ยวทะเลเที่ยวป่าลองเปิดใจนะรับธรรมะจากธรรมชาติน่าจะมัวแต่สนุกสนานนะหรือว่าเอาแต่ พูดคุยเฮฮากันโดยอาศัยป่าเป็นฉากหลังควรไปด้วยอาการที่สงบน่าถ่อมตัวและพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้จากธรรมชาติอย่าเพียงแต่ตื่นตะลึงกับความงามของธรรมชาติหรือว่าความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติจนจน ไม่สามารถจะมองเห็นคุณค่าที่ลึกไปกว่า น, นั้นนะแต่ถ้าเราตื่นเตือนธรรมชาติก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราตื่นเตือ น, นแล้วเรารู้สึกว่าตัวเรานี่เล็กลงธรรมชาตินี่ยิ่งใหญ่บางทีเรามักจะลืมตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันสำคัญเหลือเกินแต่บางครั้งถ้าเราได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เราก็จะรู้ว่า ตัวเรามันเล็กกระจิตรลิดยิ่งมองไปที่ท้องฟ้ายามค่ําคืนเห็นดวงดาวนะเป็นเป็นแสนเป็นล้านดวงท้องฟ้ากว้างใหญ่อย่างนั้นเนี่ยมันยึงทําให้เราเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นต้นดวงดาวอายุเป็นหลายพันล้านปีอายุของเราร้อยปีร้อยปีมันแค่เหมือนกับ การกระพริบตาของดวงดาวเท่านั้นแหละนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ต่างจากทุรีในอวกาศอย่าไปสำคัญมัตหมายว่าเราเป็นคนสำคัญถนะึงเวลาที่เราจากโลกนี้ไปมันก็มันก็ไม่ต่างจากธุรีในอวกาศที่มันกระเด็นหายไปไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับจักรวาลอะไรเลย ถ้าเราเจนตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะได้ลดอาหาังการลงนะและความถ่อมตนนี่แหละที่จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ไม่ไปเบียเดเบียนนะสิ่งต่างๆโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง แล้วก็ฝากเอาไว้นะให้พิจารณาดูนะว่าธรรมชาติมีคุณค่ายัางไงกับเราบ้างในโอกาสที่พวกเราก็ได้มาปลูกป่าก็อยากจะให้ได้รับแง่ยคิดจากธรรมชาติไปด้วยเอาล ะ, ะ, ะ, ะก็ยุติเท่านี้อักลับพาพร้อมกัน